ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งเรื่องอตุละอุบาศกข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพอุบาศกชื่ออตุละตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโบราณนเมตังเป็นต้นตอน อตุละโกรธพระเรวตเพราะท่านไม่พูดด้วยความพิศดาลว่าอตุละนั้นเป็นอุบาสกชาวกรุงเสาวถธีมีอุบาสกเป็นบริวารห0 0คนวันหนึ่งพาพวกอุบาสกเหล่านั้นไปวิหารเพื่อต้องการฟังธรรมใครจะฟังธรรมในสำนักพระเรวตะเถรร ไหวพระเรวตาเถระแล้วนั่งก็ท่านผู้มีอายุนั้นเป็นผู้ยินดีในการหลีเกเร้นเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนราชสีฉะนั้นท่านจึงไม่กล่าวอะไรกับอุบาสกนั้นเขาโกรธว่าพระเถระนี้ไม่กล่าวอะไรจึงลุกขึ้นไปยังสำนักพระสารีบุตรเถระ ยืนอยู่นะส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระเถระกล่าวว่าพวกท่านมาด้วยต้องการอะไรจึงกล่าวว่าท่านขอรับผมพาอุบาสกเหล่านี้เข้าไปหาพระเรวตะเถระเพื่อต้องการฟังธรรมพระเถระไม่กล่าวอะไรแก่ผมนั้นเลยผมนั้นโกรธท่านจึงมาที่นี่ ขอท่านจงแสดงธรรมแก่ผมเถิดลำดับนั้นพระเถระกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงนั่งเถิดอุบาสกทั้งหลายแล้วแสดงอภิธรรมมกราอย่างมากมายตอนอตุละโกรธคนพูดมากอุบาสกโกรธว่า ชื่อว่าอภิธรรมกถาละเอียดยิ่งนักสุขุมยิ่งนักพระเถระแสดงอภิธรรมอย่างเดียวมากมายพวกเราต้องการอะไรด้วยพระอภิธรรมนี้ดังนี้แล้วได้พาบริษัทไปยังสำนักพระอานนเทเถระแม้เมื่อพระเถระกล่าวว่าทําไมอุบาสกจึงกล่าวว่าท่านขรับ พวกผมเข้าไปหาพระเรวัตเถระเพื่อต้องการฟังธรรมไม่ได้แม้แต่การสนทนาและปราศัยในสำนักของท่านลเลยโกรธแล้วจึงมายังสำนักของพระสารีบุตรเถระแม้พระเถระนั้นก็แสดงอภิธรรมอย่างเดียวละเอียดนักมากมายแก่พวกผมพวกผมโกรธแม้ต่อพระเถระนั่นว่า พวกเราต้องการอะไรด้วยพระอภิธรรมนี้แล้วจึงมาที่นี่ขอท่านจงแสดงธรรมกถาแก่พวกผมเถิดขอรับพระเถระถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านจงนั่งฟังเถิดพระเถระแสดงธรรมแก่พวกเขาแต่น้อยๆทำให้เข้าใจง่ายตอน อตุละโกรธคนผู้พูดน้อยพวกเขาโกรธแม้ต่อพระเถระแล้วก็ไปยังสำนักพระศัสดาถวายบังคมแล้วนั่งหนส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศัสดาตรัสกับพวกเขาว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านมาทำไหมกันพวกอุบาสก เพื่อต้องการฟังธรรมพระเจ้าข่าพระสัสดาก็พวกท่านฟังธรรมแล้วหรือพวกอุบาสกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเบื้องต้นพวกข้าพระองค์เข้าไปหาพระเรวตตเถระท่านไม่กล่าวอะไรกับพวกข้าพระองค์พวกข้าพระองค์โกรธท่านแล้วจึงเข้าไปหาพระสารีบุตรเถระพระเถรละนั้น แสดงอภิธรรมแก่พวกข้าพระองค์มากมายพวกข้าพระองค์กำหนดอภิธรรมนั้นไม่ได้จึงโกรธแล้วเข้าไปหาพระอานนเถระพระเถระนั้นแสดงธรรมแก่พวกข้าพระองค์น้อยนักพวกข้าพระองค์โกรธแม้ต่อท่านแล้วมาในที่นี้ตอนการนินทาสรรเสริญเป็นของเก่า พระศัสดาทรงสดับถ้อยคําของเขาแล้วจึงตรัสว่าอัตุละข้อนนั้นเขาเคยประพฤติกันมาตั้งแต่โบราณทีเดียวชนทั้งหลายติเตียนทั้งคนนิ่งทั้งคนพูดมากทั้งคนพูดน้อยทีเดียวด้วยว่าผู้อันเขาพึงติเตียนอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าผู้อันเขาพึงสรรเสริญอย่างเดียว ไม่มีเลยแม้พระราชาทั้งหลายคนบางพวกก็นินทาบางพวกก็สันเสริญแผ่นดินใหญ่ก็ดีพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ดีถ้ า, ามีอากาศเป็นต้นก็ดีคนบางพวกนินทาบางพวกสันเสริญแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับนั่งแสดงธรรมในถ้ำกลางบริสัท4ส่ก็การนินทาหรือสัรเสริญ ของพวกอันพานไม่เป็นประมาณแต่ผู้ที่ถูกบัณฑิตผู้มีปัญญาติเตียนจึงชื่อว่าเป็นอันติเตียนผู้อันบัณฑิตสันเสริญแล้วชื่อว่าเป็นอันสันเสริญดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าโบราณเมตังอตุละเนตังอัจัตนามิวะ นินดันติตุนฮีมาซีนังนินดันติบะหุพานินังมิตะพานิงปินินดันตินัทธิโลเก อ, อันินดิโตณนะจาหุณจับภวิสติณนะเจตระหิวิชติเอกันตังนินดิโตโปโซเอกันตังวาประซังสิโตยันเจวินยูประซังสันติ อนุวิจจะสุเวสุเวอัจิต ด, ดะวุติงเมทาวิงปัญญาซีละสมาหิตังนิกขังชัมโบนดัดเซวะโกตังนินดิตุมรหตัติเดวาปินางประสังสันติบรหุนาปิประสังสิโตอตุระการินทาหรือสันเสร่นั่น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 และไม่มีอยู่ในบัดนี้หากว่าวินยุยชนใคร่ครวนแล้วทุกๆวันสันเสริญผู้ใดซึ่งมีความประพฤติไม่ขาดสายมีปัญญาผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลใครเล่าย่อมควรเพื่อติเตียนผู้นั้นผู้เป็นดังแท่งทองชมพูนุษย์แม้เทพดาทั้งหลายก็สรเสริญเขา ถึงพรมก็สันเสริญแล้วตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโปราณมีตังคือการนินทาหรือสันเสริญนั่นเป็นของเก่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกอุบาศกนั้นว่าอตุละบาประาถาว่าเนตังอจชะตนามิวะความว่า การนินทาหรือสรนเสินี้เป็นเหมือนมีในวันนี้คือเกิดขึ้นเมื่อตกี้หาไม่ได้อธิบายว่าจริงอยู่คนทั้งหลายย่อมนินทาคนนั่งนิ่งว่าทำไมคนนี้จึงนั่งนิ่งเหมือนคนใบ้เหมือนคนหนวกเหมือนไม่รู้อะไรอะไรเสียเลยดังนี้บ้างย่อมนินทาคนพูดมากว่าทำไมคนนี้ จึงประพติเสียงกระตักกระต ะ, ะ, ตะเหมือนกับใบตาลถูกลมพัดคำพูดของคนนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยดังนี้บ้างย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณว่าทำไมคนนี้จึงสำคัญคำพูดของตนเหมือนทองคำและเงินพูดคำสองคำแล้วนิ่งเสียดังนี้บ้าง คนชื่อว่าไม่ถูกนินทาย่อมไม่มีในโลกนี้แม้โดยประการทั้งปวง้วยประการอย่างนั้นบทว่านาจาหุเป็นต้นได้แก่ไม่ได้มีแล้วแม้ในอดีตทั้งจากไม่มีในอนาคตสองบทว่ายันเจวินยูความว่าการนินทาหรือสันเสริญของพวกชนพานไม่เป็นประมาณ แต่บัณดิตทั้งหลายใครครวนแล้วคือทราบเหตุแห่งนินทาหรือเหตุแห่งสรรเสริญแล้วทุกๆวันยอมสรรเสริญบุคคลใดผู้ชื่อว่ามีความประพฤติไม่ขาดสายเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยศิขาอันไม่ขาดสายหรือด้วยความเป็นไปแห่งชีวิตไม่ขาดสายผู้ชื่อว่ามีปัญญา เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรมชื่อว่าผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นโลกิยะและโลกุตระและด้วยปาริสุทธิศีลสี่ใครเล่าย่อมควรเพื่อนินทาบุคคลนั้นผู้เป็นดุดดังแท่งทองชมพูนุดอันเว้นจากโทษแห่งทองคำ อันควรเพื่อจะบุและขัดบทว่าเดวาปิเป็นต้นได้แก่เทพดาก็ดีมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตก็ดีย่อมลุกขึ้นชมเชยสรรเสริญซึ่งภิกษุนั้นบทว่าพราหมุณาปิความว่าไม่ใช่เทพดาและมนุษย์อย่างเดียวย่อมสรรเสริญ ถึงมหาพรหมในหมื่นจักรวาลก็สรรเสริญบุคคลนั่นเหมือนกันในการจบเทสนาอุบาสกเหล่านั้นทั้ง500ดําดำรงอยู่แล้วในโสดาปฏิผลดังนี้แลเรื่องอาตุละอุบาสกจบ